ที่พี่จันเคยทอเคเคยพูดมเมื่อวานนี้ค่ะเรื่องอะไรนะเดี๋ยวนะคะหนูจำไม่ได้เอาเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกั น, น, นานค่ะในเป็นช่วงบ่ายนะคะได้หมคะแต่ช่วง น, นี้ช่วงต้นเนี่หมอยากจะพูดทังอเ น, นียให้กาลังใจของคนที่ทำหนังสือว่าเขาไม่จุดประสงค์ยังไงอะไรยงงอันนี้ก็บอกเลนะใช่คะ่ะจอบอกไปแล้วแต่เดี๋ยวโมจะมีเรื่องนึง าถามที่คุณถารอบนอกก่อนยังไม่ได้รานะคะพระอาจารย์ว่าสมควรไมหรือพระอาจารย์จะรวไปแล้ว่าอย่างการทําหนังสือเนี่ยสําหรับคนที่คนทําเนี่ยเขาควรจะวางจิตยังไงหมวยความมีตั้งจิตยังไงที่จะทําหนังสือนี้ให้สําเร็จะคะรัะอาจารย์คําถามนี้พระอาจารย์คิดว่าควรจะถามก็ได้จะตั้งจิตอย่างไรในการที่จะทําหนังสือนั้นประสบความสําเร็จ ก็คือการการที่การตั้งใจตั้งใจกรนี้เป็นเรื่องของเจตนาเจตจำ น, นงความจงใจความตั้งใจในการที่จะทําหนังสือให้ผสบความสําเร็จทีนี้การทําหนังสือก็ดีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพุทธเจธดีก็ดีพระพุทธรูปก็ดีหรือว่ า, าวัตถุทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาถาว่าที่จริงเนี่ยเราก็ทำกันบุคคลที่ทำกันมาก็ทำสาเร็จกันทุกครั้ง ทกักิจเป็นการทำกิจที่ค่อนข้างออกมาก็ดีถ้าไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงกันอยอได้เลยก็ทำออกมากันก็ดีพอสมควรเลยทีประเด็นอยู่ว่าถ้าจะให้เสริมนี่แหละที่จะพูดต่ออันนี้คือ ก, การทำกิจ สงส่วน 1. นึงการทำกิจสองการทำจิตทำกิจ ก, กับทำจิตไม่เหมือนกันทีนี้การทำกิจก็คือการทำงานการทำงานงานก็ได้ผลคนทำงานก็ต้องเป็นสุขหลัการต้องอย่างนี้ถ้างานได้ผลคนเป็นทุกข์ได้หนึ่งเสียหนึ่งงานไม่ได้ผลคนเป็นทุกข์เสียสองเลยงานก็เสียคนก็เสียแต่การทากิตก การทำกิตเนี่ยถ้าดูจากงานที่ทํานั่นมาก็ใช้ได้พอสมควรแต่แต่สิ่งที่อยากจะเน้นตรงนี้ก็คือว่าการทํางานที่จะได้ผลที่ดีที่สุดก็คืองานได้ผลคนเป็นสุขเนี่ยก็หมายความว่าทําทจิตด้วยจิตที่มีความเชื่อมัน่นทําจิต ด้วจิตที่มีความแ ก, ก, ก้วกลาทำจิตด้วยจิตที่ไม่ขาดสติมีสติกํากับอยู่กับตัวไม่ปั้นป่วยเลยหลงทําจิตด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านทําจิตด้วยจิตที่มีปัญญาคือรู้นะครับอจารอันนี้แปลว่าทําทั้งสองเลยในขณะทําจิตไปด้วยก็ไม่ปล่อยให้ความกําหนัดระมาครอบงำไม่ให้ความขัดเคืองมาคุ้มรุม ไม่ให้ความหดหู่ท้อถอยมาคุ้มรุมไม่ให้ความฟุ้งซ่านลำคาญใจมาคุ้มรุมไม่ให้ความลังเลสงสัยมาคุ่มลุมเ <inability> หตุที่ oui, <Emily> ความกำหนัดขัดเครื่องหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจลังเลสงสัยไม่คุ้มรุมจิตเพราะทําจิตด้วย ok ความไม่ประมาททีนี้ทําเขตด้วยความไม่ประมาทเป็นชื่อของการเจริญสติทีนี้การที่จะเจริญสติหรือการฝึกสติในการกระทํานั้นก็คือมีสติกำกับ ไปเห็นพระเจดีพราสติกำกับระลึกหรือนึกนึกถึงพระเจดีย์ในขณะที่ทํานั้นเน่ยเห็นองค์พระเจดีเห็นกา ร, รประทับของอริยคือพระบรมสารีริกธาตเห็นพระพุทธรูกคือเป็นอุเทนสกัเจดีเป็นองค์ของพระเจชา เ, เ, เป็นองค์แทนพระเจ้าลพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บจิตเกิดความเลื่อมายว่าเราจะ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 เขาไม่มีสมาธิเขจะได้มีสมาธิเขามีปัญญาจะได้มีปัญญาเขามีกายทุจริตเขาจะได้ออกจากกายทุจริตมาเข้าสู่กายสจุจริตเขามีวจีทจุจริตเขาจะได้ออกจากวจีทุจริตมาเข้าถึงวจีสุจริตเขามี ม, โ, it, มโนทุจริตเขาจะได้ออกจากมโนทุจริตมาเข้าสู่มโนสจุจริตเขามีความเห็นผิดเขาจะได้มีความเห็นถูกจากการที่เราได้ประกาศพระพุทธเจา้าประกาศคุณของพระพุทธเจ้าให้มูเวรนยศาตร์ทั้ง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 เราจะทำความยากความลำบากนี้ให้เป็นการฝึกฝ er นพัฒนาตนเองเป็นบุญเป็นโอกาสของเราเราได้โอกาสนี้แล้วชีวิตเรายังมีอยู่สติปัญญาก็ยังมีความสามารถศักยภาพเรามีหลายด้านอะไรที่มันขาดเราจะแสวงหามาเติมเต็มเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อประกาศคุณของพระเจ้านั้นให้สว่างรุ่งเรืองกระดุดดวงประที่ประกาศคุณของว่าทำให้สว่างรุ่งเรืองกระดุดดวงกระที่ ประกาศคุณของหมู่พะภรรยาสงใ้สว่างร่่มเรืองกระดุดดวงประที่ให้หมู่สัตว์ทั้งหลายที่มืดบอดได้เห็นทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามคิดอย่างนี้มนสิศศศศการอย่างนี้แล้วเราก็จะได้กําลังใจในการที่ทำงานออจเดียนชัดเจน